สถานีวิทยุกระจายเสียง BBC แห่งประเทศอังกฤษจัดรายการเป็นที่ระลึกวันครบรอบ122ปีของนักวิญญาณศาสตร์ยุคปัจจุบันหมายเหตุผู้แปลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับลัท ธ, ธิวิญญาณศาสตร์ของนักทรงวิญญาณแห่งประเทศอังกฤษเป็นไปอย่างกว้างขวางเพียงไร และได้รับความนิยมนับถือจากประชาชนอย่างกว้างขวางเพียงไรจะเห็นได้จากการที่สถานีวิทยุกระจายเสียง BBC แห่งประเทศอังกฤษอันเป็นสถานีวิทยุที่มีชื่อเสียงว่าเป็นชั้นนำของโลกได้ยอมจัดรายการของตนในวันที่ระลึกของนักวิญญาณศาสตร์ด้วยจริงอยู่ย่อมมีผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นธรรมดา แต่การที่ทางสถานีวิทยุชั้นนำของโลกยอมทําเช่นนี้ก็เป็นประจักษ์พยานประการหนึ่งซึ่งแสดงว่าคนในประเทศอังกฤษซึ่งเราคิดว่าจเจริญในทางวัตถุ ก, กว่าเราชาวไทยกลับมีความเชื่อในเรื่องเช่นนี้อย่างน้อยก็เท่ากับชาวไทยผู้ที่ได้ติดตามเรื่องของเอสเทลโลเบิร์ดและประสบการณ์ทางวิญญาณของบาทหลวงไพทมาแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าความนิยมของชาวอังกฤษ ผู้มีการศึกษาในเรื่องนี้ดูจะมีมากกว่าชาวไทยเสียด้วยซ้ำในวันครบรอบ122ปีของลัทธิวิญญาณศาสตร์ยุค ป, ปัจจุบันคือวันที่31มีนาคมคริสตศักราช1970สถานีวิทยุกระจายเสียง BBC แห่งประเทศอังกฤษได้จัดให้มีการสัมภาษณ์เลขานุการของสมาคมนักวิญญาณศาสตร์แห่งประเทศอังกฤษ คือมิสเตอร์ทอมโยฮันสันในหัวข้อเรื่องว่าศา ส, สนาของข้าพเจ้ามีข้อความสรุปได้ดังนี้จากการจดบันทึกได้ปรากฏ ว, ว่าลัทธิวิญญาณศาสตร์ปัจจุบันเริ่มขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1848ในวันที่31มีนาคมนั่นเองในบ้านของครอบครัวตระกูลฟ็อกซ์ โดยแม่หนูเคธฟ็อกซ์ซึ่งเป็นบุตรสาวคนเล็กของครอบครัวนั้นได้เป็นผู้สามารถติดต่อกับวิญญาณของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเคยถูกฆ่าตายในบ้านหลังนั้นมาแต่ก่อนวิญญาณของบุคคลผู้นี้ได้มาทําเสียงรบกวนคนที่อยู่ในบ้านนั้นโดยได้มาทําเสียงเคาะให้ได้ยินหลายครั้งด้วยกันในที่สุดจึงได้มีการสอบสวนกันอย่างจริงจังขึ้นก็ปรากฏว่าได้ผลตรงตามความเป็นจริง จากเรื่องราวอันเล็กน้อยนี้เองที่ลัทธิวิญญาณศาสตร์สมัยปัจจุบันคือสมัยที่มีการบันทึกและสอบสวนกันเป็นหลักฐานอย่างมีระเบียบไม่ใช่มาจากเขาเล่าว่าอย่างเดียวได้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อได้รับคำขอร้องให้มีคำจำกัดความเกี่ยวกับคำว่าวิญญาณศาสตร์มิสเตอร์ทอมโยฮันสันได้กล่าวว่ามนุษย์เรามีสองภาค คือภาคร่างกายและภาคจิตใจในตอนที่ร่างกายถึงกับความตายนั้นภาจิตก็ถอนตัวออกจากภาคร่างกายและต่อจากนั้นก็เข้าถึงสภาวะแวดล้อมอย่างใหม่อีกแบบหนึ่งที่ต่างจากโลกนี้มีคำถามว่าเหตุใดวิญญาณหรือคนที่ตายไปแล้ว จึงต้องการมาติดต่อกับคนในโลกนี้นักตอบว่าเพราะเมื่อคนเราตายไปคือร่างกายตายไปนั้นเขาหรือจิตใจของเขาก็ยังเป็นจิตใจของคนเดิมนั่นเองเขาเคยรู้จักท่านเคยรักท่านอย่างไรก่อนตายเขาก็คงยังมีความรู้สึกทางจิตต่อท่านอย่างนั้นเช่นเดิมดังนั้นเมื่อเขาเห็นพวกท่านเศร้าโศกอะไรถึงเขา เขาก็ต้องการจะบอกให้ท่านทราบว่าความเศร้าโศกของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องสมควรเลยเขาเหล่านั้นยังคงมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมเขาไม่ได้เหินห่างจากท่านไปเขารู้เห็นความเป็นไปของท่านและต้องการที่จะช่วยท่านมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม